9. วัสสิกะสาติกาสิกขาบท 144. ถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ให้ทำผ้าอาบน้ำฝนเกินขนาดณที่ไหนตอบทรงบัญญัตินกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพวกภิกษุฉับพักขีถามเพราะเรื่องอะไรตอบ เพราะเรื่องที่พวกภิกษจฉับพักคีใช้ผ้าอาบน้ำฝนไม่ได้ขนาดในวัดสิกะสาติกาสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหกสมุดฐาน